เ ต, ตายเราเข้ามาสู่ช่วงเคสั์ ด, ดี้กันเลยจ้าลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝั น, นวิทยาปัจจุบันอยู่ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐเมกาเมื่อครั้งที่ยังอยู่เมืองไทย เล่ารู้จักวัดพุทธรรมกายคณะบววเป็นสำมเ น, นที่วัดแถวบ้านในช่วงปิดเทอมสมัยเรียนชั้นมัธยมปีที่สองคณะบัวดได้มีโอกาสอ่านหนังสือมงคลชีวิตเล่มที่สองรู้สึกถูกใจมากอ่านรวดเดียวจบจึงมาที่วัดพุทธมกายตามที่อยู่ในหนังสือจากนั้นก็ห่างจากวัดไปเลย <c oughs> เพื่อไปเรียนต่อ กระท่างจบปริญญาตรีแล้วก็เด้มาพบกับกรเรยมิทท่านหนึ่งจึงได้กลับามาทำบุญที่วัดอีกครั้งลูกพยายามสร้างบุญเรื่อยมาและก็ได้มีโอกาสบวชเป็นพระธรรมทายาทรุ่นคําษาปีองหาพี2541กรุ่นอัจฉริ์ตะวันแก้ว<า>จนแล้วรูปราบลื้มมากที่สามารถักชวนคนในบ้านเข้าวัดได้เกือบทั้งหมดคุณพ่อและคุณแม่ตั้งใจทุ่มทาบุญอย่างไม่เคยเป็นมา ก, ก่อน เราเช่อกันสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวและบอกบุญได้เจ็ดสิบองค์ <สา S 1> ครอบครัวลูกติดตามร่วมบุญทุบุญของทรงวัดมาอย่างสม่ำเสมอโดยเราได้เป็นประธานกรงกรถินเป็นประจำทุกปี <สา S 1> ตั้งแต่กระถินปี 45, 46, 47สและกระถินล่วงหน้าปี48 รวมทั้งเป็นประธานกองหล่อองค์พระสามแสนปลื้ม4ี่กองเสาแก้วอีกหนึ่งต้นครับล่าสุดที่บา้านเพิ่งจะร่วมบุญสร้างมหารัตนาบรรลังของหลวงปู่ห้าสิแผนืนนักบุญจริง ๆ, ๆอย่างนี้น่าจะมีสมบัติแบบท่านโชติกะเนาะอตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กลับไปเป็นฝ่ายชวนลูกทาบุญแทน วลูกอยู่ต่างประเทศนี้คุณพ่ออไปชวนมั่งซึ่งทางทั้งสองปราบเริ่มในบุญแล้วก็รักกับครูไม่ใหญ่มากๆครับครูไม่ใหญ่จะให้รวยหรือจะให้รวยลูกๆ ก, ก็ไม่ขัดใจเลยครับคุณพ่อคุณแม่ของลูกในช่วงเริ่มต้นของชีวิตท่านประสบกับความยากลําบากมากช่วยที่ท่านแต่งงานกันใหม่ ตัางเข้าไปอยู่บ้านคุณพ่อที่อยู่กันแบบกองสีลูกแต่ละคนหาเงินมาได้ทออไรก็จะต้องให้คุณปู่คุณย่าเพื่อมาไว้ใช้จ่ายภายในบ้านคุณแม่ต้องทำงานทุกอย่างในบ้านยิ่งกว่าคนรับใช้แล้วคุณย่าและพี่น้องของคุณพ่อไม่ชอบคุณแม่ไม่มีใครให้ความเป็นมิตรกับลูกสะภ้ยคนนี้เลยครั้งหนึ่งคุณพ่อซื้อทุเรียนมาให้คนที่บ้านทาน บังเอิญว่าพี่ชายของคุณพ่อซึ่งมีอาการประสาทอยู่แล้วเกิดปวดท้องจึงโทษว่าเกิดจากทุเรียนและกล่าหาว่าคุณแม่เอาของที่มีคุนใสมาใส่ให้ทานทั้งนั้ที่คุณแม่ก็ยังไม่รู้เรื่องถึงคุณพ่อซื้อทุเรียนมาแจกด้วยซ้ำพี่น้องคนอื่นและคุณย่าซึ่งไม่ชอบคุณแม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงกล่าหาว่าคุณแม่ทําขุนใส แล้วก็ให้ไปพิสูจน์กับหมอทรงเจ้ากับโปรเฟสเซอร์ทางนี้เนี่ยพอไปถึงหมอทรงเจ้ากับทักทันทีอ่ไในทักที่จ้าตัวเองนั่นมีของอคุณแม่ถึงบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วจริงถอดเสื้อจะนอกให้คนตัวคนซองก็บพบตะกรุดที่เรียมท้องอยู่จึงบอกว่าเห็นไหมนี่แหละของละ่ะ คุณแม่ก็บอกว่าอันนี้เป็นตะกรุดซึ่งในา ก, การฝังลูกนิมิตที่โบสตดซึ่งน้องสาวคุณพ่อที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มีอยู่เช่นกันคือมีหลียวหลายคนไปที่โบทถ์ทำบุญปิดทองลูกนิมิตเหมือนกันหมอสงเจ้าจึงหน้าแตกแตกก็ยังไม่ยอมแพ้เจงบอยไปเรื่องอื่นนี่หลังสันนิษฐานซิว่าฟอร์เวสเอร์สงเจ้านี่ พ่อหมอนี่จะโบยไปทางไหนเมื่อเห็นเส้นผมติดจุ่ข้างหลังเสือ้อฉันนายจึงบอกว่าของตมรวจใสเนี่ยเห็นไหมล่ะขนหมาดำไปได้เหมือนกันคุณพ่อผมจะพูดว่าขนหมาอะไร ยาเป็นคือไอ้ <laughs> อ น, นี่มันผมไปยิงชัดๆได้แหละแล้วรู้ไหมนี่มันเส้นผมมีอะผมแม่อย่ามาม่วนนิ่มกันเล ย, ย<อ>หมอส่วเจ้ายอมแพ้ไหมไม่อยังคนยืนยาวคุณแม่ใช้คุณใส<อ>แล้วท้าว่าถ้าคุณแม่เดินข้ามสะพานจะมีอันเป็นไปนว่าแล้วก็ชี้ไปที่สะพานไม้เก่าๆอันหนึ่งด้านนอก คุณแม่ก็รีบใส่เสื้อแล้วก็เดินข้าวสะพานนั้นให้เห็นกันจะจะอะไรเกิดขึ้นสะพานไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้คุณพ่อแยกครอบครัวออกมาอยู่เองจึงทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณแม่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนักเนื่องจากท่านต้องทำงานหนักมาตลอดลายนิ้วมือเป็นเหน็บชาทั้งสองมือเจ็บที่ข้อมือตอนนอนน้งใส่เฟือที่ข้อมือ ตาเป็นต้อต่างผ่าตัดและยอดตาทุกวันจมูกรับกลิ่นไม่ค่อยดีสูงพ่อได้รับการตรวจพบเนื้อมะเร็งที่ต่อมลูกหมากในระยะแรกขณะ น, นี้รับการรักษาด้วยการฉีดยาระ ง, งับไว้แต่โดยรวมท่านก็ร่างกายแข็งแรงดีขณะ น, นี้ลูกอยู่ที่บอสตันกับคุณป้าซึ่งลูกรักและผูกพันมากด้วยเหตุที่ในวัยเด็กคุณพ่อคุแม่ต่งทมาหากินไม่มีเวลาเลี้ยงดู จึงฝากให้คุณป้าช่วยเลี้ยงลูกจึงรักคุณป้าสเสมือนเป็นแม่อีกคนหนึ่งบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านแลรมิรหลังแรกในบอสตันซึ่มีการนิมนต์พระอาจารย์จากวัดภาวนานิวเจอร์ซีย์มาเป็นเนื่อนาบุญเดือนละครั้งคุณป้าต้องลำบากมาตลอดท่านถูกเพื่อนโกงบ้านและโกงเงินจํานวนมากมายหลายครั้ง ท่านมาอยู่เมริกาได้17ปีแม้จะอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้กลับเมืองไทยเลยอีกทั้งท่านสมัครทำก r ี e กา a r ดเสียเงินไปประมาณสแสนกว่า บ, บาทแต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้ถึงสองครั้งปัจจุบันอายุย่าง62แล้วแต่ยังต้องทำงานหนักอยู่หลังจากลูกจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาแล้ว จบวิศวกรรมนักปริยาโทลูกแลวป้าโดยการ น, นั้นนี้เราได้เคยหุ้นกับหุ้นส่วนธรรมราอาหารไทยที่ต้องขายเหล้าเบียร์และไวนยนืงจากที่อเมริการ้านอาหารระดับดีๆล้วนแล้วแต่ต้องมีเหล้าไว้คอยบริการลูกค้าทั้งนั้นคนที่นี่จะดื่มของพวกนี้กันยังเป็นปกติคือผิดปกติจนเป็นปกติลูกและคุณป้าไม่อยากทาจึงตัดสินใจขายหุ้นออก แม้ว่าจะเป็นร้านที่ขายดีก็าตามเพราะมาต น, นการเรือแค่ชาติเดียวและคิดว่าเงินที่ได้ยังไงก็ไ็นคุ้มกับบาป ท, ที่ต้องไปรับในขุมห้าถูกต้องและลูกถูกต้องยิ่งดูภาพโดยลอกจาก DMC ซแล้วก็ยิ่งกลัวทำไมถึงกลัวสันนิสารที่จะ๊ะขนาดลอกขนาดเวลาอาบน้ำจะเปิดน้ำอุ่นร้อนไปหน่อยยังสะดุ้งอยู่ ร้อนแล้วจัดล็อกอยู่ในน้ำกดรดร้อนจะทนทุกทรามานมากขนาดไหนตอนนี้ที่สำคัญนะคือลูกเกลียดคนขายน้ำเมาอีกตั้งเห็นยังเห็นตัวอย่างคนที่ต้องมีชีวิตพังทลายเพราะเล่านั่นก็คือลุงของภรรยาลูกที่มีอดีตเป็นถึงนักเกรียนในร้อยเวส i n ยทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดมีเงินเดือนนะเงินเดือนร่วมล้านบาท ได้รับหน้าที่แอนเตอร์เทนลูกค้าจนสุดท้ายตัวเองกลับต้องมาติดเหล้าจึงถูกให้ออกจากงานปัจจุบันกลายเป็นคนไม่มีงานทำอยู่ได้โดยเงินช่วยเหลือจากทางรัฐเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณตามีภรรยายอยู่ที่เมืองจีนหนึ่งคนมีลูกด้ยวยกันสองคนพอมาเมืองไทยก็ได้ภรรยายใหม่คือคุณยายและมีบุตรด้ยวยกันหคนคุณตาเป็นคนใจดีแต่สูบรุรแลดื่มเหล้าเล็กน้อย ตอนม่เพียงร้านขายของเล็กๆไว้หาเลี้ยงชีพสันนั้นชีวิตจึงไม่สบายเท่าไหร่ต่อมาคุณยายเป็นลม้มและเสียชีวิตอายุเพียง40ปีเมื่คุณยายตายคุณตายก็ไม่ได้แต่งงานใหม่และยังคงมีชีวิตลําบากมากมาตลอดจนกระทั่งอายุได้71ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารคุณปู่เป็นคนใจดีซื่ อ, อและมีความเกรงใจคุณยายอย่างมากว่าคุณยายเป็นคนดุ แล้วแม่คอยความยุติธรมต่อลูกๆเท่าไหร่รักลูกสาว ม, มากกว่าลูกชายคุณปูเสียชีวิตเพราะเป็นไข้ธรรมดาแต่ถูกลูกที่มีความรู้ไม่ถูกต้องให้สินแสมรักษาโดยให้ทานผ้ายันวิเศษและรดน้มนต์ทำให้เป็นไข้ธรรมดากลายเป็นปอดบวม เสียชีวิตอายุได้เจ็ดสิบปีโอ้นี่นไม่ดูวิบากกรรมคนหลังจากนั้นไม่นานคุณย่าก็เสียตามด้วยโรคหัวใจบวมน้องชายคลอดลองของลูกคลอดออกมาก่อนกาหนดอยู่ท้องได้เจ็ดเดือนแต่พอออกมาแล้วก็แข็งแรงดีหมอจึงให้นำกลับมาดูแลที่บ้านโดยไม่ต้องอยู่ในตู้อบเหมือนเด็กคลอดก่อนกาหนด ท, ทั่วไปอืม วันหนึ่งขณะที่แม่ของลูกวางน้องไว้บนโต๊ะซึ่งทำเป็นที่นอนท่านเคลิ้มหลับไปเพราะเพิ่งจะดื่มยาดองเหล้าที่มีคนแนะนำว่าทานแล้วแข็งแรงเร็วขึ้นน้องลูกจึงนอนอยู่บนโต๊ะก็ดิ้นตกลงไปหัวกระแทกกับอะไรรถยนตทั้งวันอยู่ใต้โต๊ะน้องร้องเสียงดังมากจนแม่ตกใจตื่น ตอนนั้นน้องมีอยุได้เพียงยี่สิบสองวันกระโหลกศรีรษะบุบแม่รีบพาไปหาหมอหมอบอกว่าต้องผ่ากระโหลกออแล้วใช้เครื่องมือเข้าไปงัดส่วนที่บุบกรและเกินให้คืนกลับมาเหมือนเก่าแม่กลัวว่าหลังการผ่าตัดน้องจะไม่รอดเพราะน้องอยังเล็กอยู่มากอันนี้คือคำแนะนำของหมอนะจ๊ะจึงตัดสินใจไม่ให้รับการผ่าตัดและแม่ก็พาไปหา คนทรงแทนคนทรงบอกว่าตําหนักนี้มีเป็นแสนตําหนักน ะ, ะไรายได้ดีเนี่ยเดี๋ยวไปช้ารัฐบาลต้อไปเก็บภาษีเนี่เด็ดขาดเลยเนี่แค่ตําหนละแสนนี่นะตําหน克ะแสนแสนตําหนักนี่หมื่นล้านนะตําหนักคนทรงเนี่ ก็ถือมีไรายได้ดีมากเด็กคนนี้เองเลี้ยงเองไม่หลอดหรอกเพราะมันเป็นลูกเทพ oh. อเอ็งต้องยกให้ข้าเอาค่าเอ็งห้าสตังค์ยกให้ข้ากับแล้วกันแล้วน้องก็ถูกซื้อซื้อไปในราคาห้าสตังค์โดยในทุกวันพระและวันโกนแม่จะเอาน้องไปให้คนทรงนวดกระโหลกทำอย่างนี้อยู่หกเดือน กะโหลกที่ยุบค่อยๆกลับเป็นปกติอ่าเอาแล้สิแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้หูของน้องใช้การไม่ได้ได้กระโหลกคืนแต่ว่าหูเนี่ยใช้ได้เพียงข้างเดียวปัจจุบันก็ยังรักษาไม่หายแต่ข้างเดียวนั้นน้องรับฟังกันได้ทุกเรื่องราวเลยคำถามได้บุพกรรมใดกันพ่อกันแม่กลูกจึงมีชีวิตที่ลำบากในตอนต้นแต่มาสบายตอนหลัง แต่เหตุใดคุณแม่แมลูกจึงต้องถูกครอบครัวของคุณพ่อเกลียดชังใช้งานและการแกล้งสรางสรพัดอย่างคุณแม่มีบุปกรรมใดจึงมีโรคมากส่วนคุณพ่อทำไมถึงเป็นมะเร็งด้วยบุญใดทำให้คุณพ่อไม่เป็นอะไรต้องสร้างบุญอย่างไรพบชาติต่อไปคุณพ่อคุณแม่จึงจะพ้นวิบากกรรมเช่นนี้ครับทาไมคุณป้าตั้งลาบากมาตลอด ถูกเพื่อนกองบ้านและกองเงินอีทั้งต้องเสียเงินฟรีจากการทำากลีงกัดลูกกับคุณป้าเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนหรือเปล่าครับเราทั้งสองจึงรู้สึกผูกพันกันมากเนื่องจากกิจการร้านอาหารต้องสั่งซื้อเนื้อสัตว์จำนวนมากจากตัวแทนขายเนื้อเราจะได้เสียการจากการสั่งค่าชีวิตสัตว์หรือไม่ครับยิ่งร้านที่มีหลายสาขา ย, ยิ่งต้องสั่งมากขึ้น การจะยิ่งมากหรือไม่ครับครอแรกของลูกได้สร้างพระกับคุณโปูคุณยา่าคุณตาและคุณยายไปทราบตอนนี้ท่านหนังสี่อยู่ที่พบภูมิใดเมื่อสร้างพร้แล้วท่านได้รับอนุสง์ของบุญนี้อย่างไรครับบุพกรรมใดทําให้น้องชายครรองของลูกตอนได้รับอุบัติเหตุจนศีรษะยุบแล้วหูไม่ได้ยินหนึ่งข้างองน้องจะมีโอกาสหายไหมครับ ต้อทำบุญอะไรจะได้ไม่เจอวิบากกรรมนี้อีกขนทรงชวิชาของอาจารย์วิทยาธรช่วยหรือเปล่าครับเห็น ไ, ได้ลูกจะได้รู้จักว่าตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็ห่างไปหลายปีต้องห่างไปหลายปีจึงจะกลับเข้ามาวัดใหม่ปุตตะคิดจะบวชตั้งแต่เล็กๆได้จะตัง้งประกอบเหตุอย่างไรครับลูกเป็นโรคภูมิแพ้ไซนัสมาตั้งแต่เด็กยังไม่หาย หายใจไม่สะดวกเจ็บภายในช่องอกเป็นครั้งคราวปวดหัวบ่อยๆเกิดจากบุปรกรรมใดครับเราต้องเป็นโรคหลงๆลงลงืมลืมอะไรได้ง่ายไม่ทราบว่าเกิดจากกรรมขายสุราในชาตินี้หรือเปล่าครับในจักรร้านอาหารร้านแรกที่ลูกมีหุ้นส่วนอยู่นั้นได้ขายสุราด้วยโดวยวิบากกรรมใดตัวลูกและภรรยาแม้เรียนจบมาสูงสูงแต่ต้องมาทํางานลําบากอยู่ที่บอสตัน และห่างไกลวัดอีกด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าพี่น้องทั้งสี่คนตัวลูกและภรรยาเคยสร้างบารมีมากระหมุขณะอย่างไรบ้างครับทาไมพี่น้องบางคนรวมทั้งพ่อตาแม่ยายของลูกยังไม่กระจายวัดและพวกเราควรจะสร้างบารมีอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์แก่พระาศาสนามากที่สุดครับ <S <S จำเรื่องราวคำถามได้ไหมจ๊ะ หลับตาฝันเปนตุเปนตาตื่นขึ้นมานแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายป ร, รำประราคันจาคุณพ่อคุณแม่ของลูกมีชีวิตลำบากตอนต้นแต่มาสบายภายหลังเพราะแนอดีตมักตัดสินใจทำบุญชา้าเพราะความตรณีแต่ภายหลังก็ได้มาทำบุญ จึงทำให้วิบากรรมตรรีได้ช่องทรงผลก่อนจะไม่ใมาในกรรมตรรนีเนี่ยตรรีเนี่ยหวงแหนคือไล่เนี่ยให้คือเรียกรับมาคุณแม่ลูกถูกครอบครองของคุณพ่อเกลียดชังกลั่นแกล้งใช้งานสารพัดอย่างเพราะในอดีตแม่ก็เคยทำลักษณะเดียวกับคุณย่าไว้คือเคยแกล้งและข่มลูกสะั้ย ใช้งานสารพัดอย่างโดยบาป ก, กรรมนี้จึงดึงดูดให้มาเจอบ้างจ้าเป็นกรรมกกงความเกลียนกันนะจ๊ะคุณแม่มีโรคมากเพราะกรรมแนด่ดีเคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอาหารอยู่เป็นประจำมาส่งผลจ้ะอีกทั้งชอบถะลึงตาใส่คนด้วยใจที่ขุนมัว จึงทำให้ชาตินี้สายตาโมจะออใครเคยทําบั่งทลึงตาเนี่ยลืมไปหมดแล้วเป็นพ่อเป็นมะเร็งแต่ยังไม่เป็นอะไรเพราะการฆ้าสัตว์ทำอาหารเป็นประจํามาส่งผลที่เป็นมะเร็งแต่มีบุญที่ทําไว้ในปัจจุบันมาตัดลอนจึงทําให้ยังไม่เป็นอะไรจ้าจะออแก้ไขตั้งให้คุณพ่อคุณแม่สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปยังสปปรรพสัตว์ให้ยังสปปรรพสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ะคุณป้าลำบากมาตลอดถูกเพื่อนโกงบ้านและโกงเงินแล้วต้องเสียเงินฟรีจากการทำกรีนการ์ดเพราะกรรมตระห น, นี่ในดีตามมาส่งผลให้ลำบากแต่ก็ทำบุญบ้างเผื่อเหนียว จึงได้เงินมาบ้างจากการทำงานหนักเห็นไม่จะเน็บบุญบาปนี่มันอยู่เบื้องหลังชีวิตเราทั้งนั้นแนอดีก็เคยไปโกงเข้ามาวิบากกรรมนี้จึงทำให้มาโดนโกงบ้างและเสียเงินฟรีจากการทำกลีนการ์ดจาลูกกับคุณป้ารักและผูกพันกันมากเพราะแนอดีเคยเป็นแม่ลูกกันมาแล้วก็ได้มาเกื้อกูลกันในปัจจุบันอีก ยิงทำให้รักและผูกพันกันมากจ้าลูกทำกิจการร้านอาหารต้องสั่งซื้อเนื้อสัตว์จำนวนมากจากตัวแทนขายเนื้อลูกก็จะมีวิบากกรรมจากการสั่งค่าชีวิตสัตว์คือว่าเอาเท่านั้นกิโลเท่านี้นกิโลสั่งยิ่งมีสาขามากแล้วทำนังกลาก็ยิ่งมีวิบากกรรมมากสั่งให้เขาฆ่า แต่ถ้าไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วเขาฆ่าตามปกติแล้วเขาฆ่าแล้วแต่เราไม่ได้สั่งฆ่า <Okay. S 1> ถ้าทิ้งไว้กระนา <Okay. S 1> เขาเอามาขาย <Okay. S 1> ไม่มีใครซื้อก่อนเรา <Okay. S 1> เราไปเห็นเราจึงไปซื้อมา <Okay. S 1> ดังนี้ไม่มีวิบากกรรม <Okay. S 1> ได้แต่เสียทรัพแต่ไม่เสียศีล <Okay. S 1> ไม่เสียศีลแล้วก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอย่างไร อีกทั้งไม่ได้ชื่อว่าสนับสนุนทางอ้อมด้วยเพราะสัตว์ที่ถูกฆ่าสัตว์นั้นก็มีวิบากกรรมเก่าผูกฆ่าก็มีวิบากกรรมใหม่แล้วบางทีเคยผูกเวรกันมาด้วยบางบางทีบางตัวนั่นแหละไม่เกี่ยวกับเราจะต้องแยกเป็นประเด็นประเด็นให้ออกนะจ๊ะเพราะสัตว์นั้นถูกฆ่าสัตว์นั้นมีวิบากกรรมเก่าอยู่แล้วเคยทําปาณาติบาตเองมา ถ้าจะเกิดผูกเวรกับผู้ฆ่าก็ะจะมาฆ่ากันหรือถ้าไม่ผูกเวรกับผู้ฆ่าก็เป็นกรรมของตัวเป็นกรรมเก่าของตัวจะเป็นกรรมใหม่ของผู้ฆ่านี่ไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเราสั่งว่าเอาเทนั้นเท่านี้นีเรารู้ว่าสาัตว์นี้ฆ่าเพื่ อ, อเพื่อเราเอามาอย่างนี้อาจจะอย่างนี้มีวิบากเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ดีนะจ๊ะคนโป้คุณยากคุณตาเป็นพมหมเทวาอยู่กันคนละหมู่บ้าน ได้รับบุญทิฐไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะคุณยายไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้าน้องชายคนรองของลูกลประสบุัติเหตุศีรษะยุคและหูไม่ได้ยินข้างหนึ่งเพราะอันนี้ก็ดาศึกษากำเนอดีเคยเลี้ยงน้องและเล่นกับ น, น้องที่ยังนอนแบกเบาด้วยความเลิเล่อ เล่นไปเลยมาน้องตกตกงมาหัวฟาดพื้นนี่กับกรรมที่เคยดื่มสุราแล้วทะเลาะกันในวงเล่าได้ยกไห่เล่าทุ่มทิศะนี่เ ห, หมเมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะกับกรรมที่ทำหูทวนลมไม่สนใจคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นคลังคราวมารวมส่งผลจ้ะใครเคยเอาหูทวนลม หูของน้องในชาตินี้เนี่ยคงจะหายายากสักหน่อยจะแต่ว่าทำเป็นครั้งคราวจึงเป็นแค่ครั้งเดียวรกรรมดื่มสุราทะลอด ก, กันยกไหยเล่าทุ่มศรีรษะก็นั่นลหละศรีรษะยุบแล้วก็ทำน้องตกลงหัวฟาดพื้นสองกรรมนี่มันรวมกันศีษะยุบหูทั่วลมไม่สนใจคำสองพ่อแม่ เป็นครังคราวเนี่ยเป็นอยู่ข้างให้สังส ม, มุนทุกบุญทั้งทานสีภาว น, นัส ม, มอเสมอแล้วที่บุญไปให้กับผู้เราไปเบียดเบียนเขาไว้อีกทั้งต้องอธิษฐานบ่อยๆภายหลังจากการทำบุญในพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะคนทรงไม่ได้ใช้วิชาของวิทยาชรช่วยเหลือจ้าโลกรู้จักวัดตั้งแต่เด็กแต่หายไปหลายปีแล้วก็กลับมาวัดใหม่เพราะ ในอดีตเระทาบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีเาจะต้องสร้างบุญารมีให้ในตลอดไปอีกทั้งทําบุญก็ไม่สม่าเสมอมีอารมณ์ก็าทาบุญไม่มีก็ไม่ทําบางครั้งก็มักจะเป็นอย่างนี้จ้ะผู้ที่คิดบวดตั้งแต่เล็กคือจะต้องประกอบเหตุโดยการสั่งสมบุญทุกบุญาธิษฐานจิตบ่อยๆให้เป็นผังสาเร็จติด ต, ตัวไปว่าให้ดีบวช ตั้งแต่ยังยาวว้เมื่อพังนานแน่นก็นจะเป็นไปตามความปรารถนาจ้ะลูกเป็นภูมิแพ้ไสนัดมาตั้งแต่เด็กหายใจไม่สะดวกเจ็บภายในช่องอกเป็นครั้งคราวปวดหัวบ่อยๆพระกำเนินอดีตอนเด็กชอบแกล้งสัตว์โดยชอบโยนเอาลูกหมาลูกแมวลงไปในน้ำบ่อยๆเพราะตอนนั้นเป็นเด็กบางทีก็หัดให้มันว่ายนะแต่มันไว่ายไม่ไหวพลบลุบโล สำลักนะ้ำวิบากรรมนี้มาส่งผลจะร้อกหลงหลงลืมลมง่ายเพราะเศษกรรมสุราในดีดกับตอนเป็นพ่อค้ามักชอบโกโหกลูกค้าบ่อยๆมาส่งผลจ้นในกรรมแนดีตส่วนกรรมขายสุราในปัจจุบันยังไม่ส่งผลจ้จะไปส่งผลในอนาคตก็ต้องรีบทำบุญยิยนดีนะลุกนะหนีกรรมมันไปอย่าให้กรรมสุราในปัจจุบันเนี่ย แต่ทันส่งผลลูกและภรรยาเรียนจบการศาึกษาในระดับสูงเดี๋ยวต้องมาทํางานหนักและอยู่ห่างไกลวัดเพราะอันนี้น่าศึกษาเรียนสูงเดี๋ยวทำไมต้องมาทํางานหนักและอยู่ห่างไกลวัดไกลหมู่คณะในการสร้างบุญบารมีเพราในดีช่วงแรกก่อนเจอหมู่คณะก่อนเจอนะมักจะมีความเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ มีเพียงแค่หนึ่งสมองสองมือแค่นั้นต้องเหน็ดเหนื่อยดังนั้นจึงไม่ค่อยทําบุญซึ่งก็เป็นความเชื่อที่ถูกครึ่งหนึ่งไม่สมบูรณ์แต่ที่เรียนจบการศึกษาในระดับสูงเพราะสังสมบุญเรื่องปัญญาบารมีและการศึกษามาข้ามชาติที่อยู่หาา่างไกลวัดในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันนั่นแหละที่ต้องทำมาหากินกคิดว่า ตรงน้นทำมาหากินสะดวกก็ไปหากินหาเงินทางนั้นแหละเมื่อเห็นว่าช่องทางไหนไปทำมาเองสักก็จะไปสแสวงหาทรัพย์ที่นั่นให้ลูกทำธุรกิจคู่คู่การสร้างบุญมีต่อไปอย่าได้ย่อท้อนะจ๊ะต่อไปก็จะเจริญรุ่งเรืองจ้ะเพราะบุญที่เคยสร้างกับมุญกน้มาเริ่มจะส่งผลแล้วอดทนอีกนิดทำจิตให้ผ่องใสนะจ๊ะ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าปี น, ปาป น, น้องทั้งสคนตัวลูกและภรรยาก็เป็นการสเสบียงขงหมูยคณะมาแต่บางคนก็สม่ำเสมอบางคนก็ไม่สม่ำเสมอจึงทํำให้บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่ข้าใจเรื่องวัดและการสร้างบา ร, รมีจ้าก็ให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้และติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบนวิเศษเขตบรมโอพดิสัตจะได้พลัดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตัดดีสั้นๆใช่จ๊